พระ อ, องค์ก็บอกว่านั่นแล้อุทายีเนี่ยฟังธรรมมาก็ฟังฟั ง, างมาน้ยฟังมาแล้วก็ไม่เคยสาธยายอีกเหมือนกันไม่เคยเอามาสาธยายมาทบทวนเลยพระ อ, องค์ก็เลยบอกว่ามน่ะมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินอ่ะนะคือการไม่สาธยายการไม่ทบทวนเนี่ยถือว่าเป็นมนทินอ่ะนะเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็ตรัสเอาไว้<า>ความเกียดคร้านเป็นมนทินของผิวพันธ์เรือนก็มีการไม่หมั่นเป็นมนทินอ่ะนะ เสร็จแล้วก็บอกว่าเราจะบอกมนทินยิ่งกว่ามนทินแก่ท่านทั้งหลายอะไรคือมนทินอย่างยิ่งอวิชาคือไม่รู้ฐานะแปดเป็นมนทินสุดยอดมนทินนี่แปลว่าความเศร้ามองเนะเช่นสิ่งที่เรียนมาไม่ได้ทบทวนสาทยายเลยก็นับว่าเป็นความเศร้ามองร่างกายไม่ขยันอาบน้ำดูแลก็ถือว่าเป็นความเศร้ามองบ้านช่องห้องหอถ้าขี้เกียจปัดกวาดเป็นต้นก็เป็นความเศร้ามอง แต่สิ่งที่เศร้ามองที่ยิ่งกว่าเศร้ามองทั้งหลายแหลก็คืออวิชชาไม่รู้ในฐานะประเกตแปดเนี่ยนะไม่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมักไม่รู้อดีตอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความเศร้ามองยิ่งกว่าเศร้ามองทั้งหลายนั่นนะนั่นก็ส่งไว้ให้คล่องปากแล้วก็ขึ้นใจเนี่ยนะได้ไม่กี่สูตรก็ไม่เป็นไรให้มันในคล่องสักสูตรดีก็ยังดีมีพระสมัยพุทธกาลชื่อว่าเอกกุฏเอกเอกาอุทานเนี่ยนะ ท่านจะพูดอยู่คาถาเดียวว่าความโศกเนี่ยจะไม่มีหรอกผู้ที่มีสติมีความเพียรมีวิริยะเนี่ยท่านก็ท่านฟังมาไม่เยอะท่านฟังมาน้อยมากแต่ว่าท่านไปปฏิบัติจนเห็นอริยสัจเพราะท่านฟังคาถาเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกๆวันพระเนี่ยท่านจะเทศอยู่คาถาเดียวนี่แหละเทวดาสาธุลั่นป่าไปหมดเลยพระผู้ทรงพระไตปิฎกมาก็มามาเขบอกเออท่านทั้งหลายมาก็ดีแล้วนีมนนีมนตเทศพวกเราทั้งหลายจะได้ฟังเหมือนกัน เอาท่านมีใครมาฟังมัง่งท่านอยู่องเดียวบอกอุ้ยเวลาผมเทศเทวดา น, นุโมทนาลั่นป่าหมดเลยเพราะฉะนั้นเอาท่านก็จะเอามั่งท่านก็มาเทศพระทำมก็ถุกเปลี่ยนกันเทศนะสององค์นันทรงพระตัยพิดุเทศเทศทั้งคืนเงียบหมดเลยไม่มีใครอนุโมทนาเลยเอ๊ยยังไงท่านหลอกเราหรือเปล่าเขาบอกเอ๊ะมันไม่เป็นอย่างนี้นะก่อนๆเนี่ยเวลาเทศจบเขาก็นุโมทนากันลั่นป่าเอางั้นท่านเทศก็แล้วกันพระคาถาเดียวนี้ท่านก็เทศคาถาเดียวนะเทวดาก็เลยอนุโมทนาลั่นป่าอีกเหมือนกัน นะลูกศิษย์นี่ถือหางบอกเทวดานี่ลำเอียงนี่ที่พระองค์นี้เทศก่อนอนุโมทนาทีคนอื่นๆเทศไมอ่อะโมทนานะลูกศิษย์โวยวายกันจนแล้วตอนหลังไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังก็บอกโห้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทรงธรรมเพราะพูดมากอะไรหรอกผู้ที่ทรงธรรมอย่างแท้จริงเ่ยนะผู้ที่เป็นผูหูสูดอย่างแท้จริงอะคือพวกที่ฟังแม้แต่ฟังน้อยแต่แทงตลอดสัจจะ น, นะกลุ่มนั้นอะเรียกว่าผู้หูสูดอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นฟังไม่มากคาถาจําไม่เยอะก็เอาสักบทอย่างได้อย่างหนึ่งอะนะแล้วก็เอาไปปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทําให้เห็นสัตว์จะทําได้อันนั้นแหละเป็นความสําเร็จอย่างแท้จริงอันก็พยายามคล่องอท่องไว้ให้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิถิให้คำว่าจําก็ไม่ใช่จําแบบนกแก้วนกขุนทองอะนะแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิคือเข้าใจอย่างตลอดสายเนี่ยนะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น อ, อย่างดีเลย นะเข้าใจทั้งโดยอัฏฐะทั้งโดยพยัยมชนะทรงจำได้เป็นอย่างดีเข้าใจด้วยดีด้วยทิฏฐิทิฏฐิก็คืออะไรเข้าใจด้วยดีด้วยสัมมาทิฏฐินั่นเองนะจนเห็นว่าโอ้โหสูตรที่ฟังมาเนี่ยมองออกเลยว่าเป็นอริยสัจได้ยังไงแต่ธรรมะที่ทรงจำเนี่ยนะควรจำแบบไหนบ้างควรจำทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ที่ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนะผู้ที่มีความสามารถอย่างนี้เชื่อว่ามีสุตะผู้ที่มีสุตะอย่างนี้แหละชื่อว่าได้มีสัตยธรรมเนี่ยนะมีธรรมะของสัตว์บรุษด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์ด้วยนี่ยนะของเราทั้งหลายก็นับว่ามีกันตามสมควรแก่ฐานะนะต่อไปก็ผู้ที่ปราลบความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายพวกนี้ก็เชื่อว่าผู้ที่มีความเพียร น, นะจาไว้ง่ายๆเพียรคือเพียรละบาปแล้วก็เจริญกุศลเนี่ยนะส่วนผู้ที่เข้าไปตั้งสติหมายถึงประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนเป็นอย่างยิ่งย่อมตามระลึกถึงสิ่งที่ทาตามระลึกถึงคาที่พูดแม้นานได้นะ พวกนี้ก็เป็นผู้ที่มีสติเป็นเครื่องรักษาตัวเนี่ยนะรักษาตัวให้เป็นยังไงถ้ารักษาตัวก็อย่างที่หนึ่งก็ศาสกะใช่ไหมศาสตะกะสัมปชัญญาเนี่ยนะคําว่าสตินะมีที่ไหนให้รู้ว่ามีสัมปชัญญะอยู่ด้วยเนี่ยนะที่เราว่ามีสตินะให้รู้ว่าบวกปัญญาเข้าไปด้วยแล้วบวกบวกสัมปชัญญะเข้าไปด้วยแล้วเพราะฉะนั้นมีสติก็คือสติที่รักษาตัวก็คือสติที่เป็นไปกับ สาธากะสัมปชัญญาโคจรสัพปัญญาส ป, ปายาสัมปัญญาและอาศัมโมหสัมปชัญญะผู้ที่มีสติแบบนี้จึงจะรักษาตัวได้และก็ผู้มีสติอย่างนี้ระลึกถึงสิงงส่งที่ทําระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้นานได้ว่าไอ้ที่ทำนี่ไปทําอะไรลงไปบ้างที่พูดเนี่ยพูดอะไรไปบ้างพูดนั้นอ่ะด้วยจิตชนิดไหนเป็นอันนะเป็นสมุทฐานให้พูดที่ทำเนี่ยทำด้วยจิตชนิดไหน ที่ทาที่พูดพูดหรือทําออกมานั้นนะเป็นจิตตชรูปเนี่ยนะจิตตชรูปก่อให้เกิดวิญญาณเนี่ยนะรูปเหล่านั้นเป็นรูปประขันจิตที่เป็นสมุทฐานก็เป็นนามขันสี่ก็เพ่งพิจารณาสิ่งเหล่านั้นโดยเป็นอุปาทานขันห้าพิจารณาโดยความเป็นของไม่ที่ยังเป็นต้นอั น, นั้นคาว่าสติตรงนี้ท่านบอกว่าสติสามโพชงนะดูในอะไร เสขะปฏิปทาสูตรเนี่ยนะเสขะปฏิปทาสูตรคุณถามคุณบุญมีเอ้ยบุญชูว่าอยู่เล่มไหนเสกขาปฏิปทาเสขะยังไม่ได้ท่องเลยนะชื่อว่าเสขะปฏิปทาสูตรเนี่ยนะอธิคถาอธิบายคําว่าสติเนี่ยนะว่าประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตนเป็นอย่างยิ่งย่อมตามระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้ได้นานสติอนั้นเป็นสติสัมโพชฌง นี่ต่อไปก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระ ก, กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบปัญญาที่รู้ความเกิดเนี่ยเกิดแค่ไหนเอาแบบนี้ขอมาพูดเวลาพูดเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเลิกพูดเนี่ยดับแล้วยางงี้หรือเปล่าอ้าวก็รู้เกิดรู้ดับอ่ะเช่นตอนลืมตาเนี่ยก็เกิดนะหลับตาก็เนี่ยดับ เสียงมีเนี่ยดังพร้อมเลิกพูดก็เงียบอันนี้ดับเกิดดับอย่างนี้หรือเปล่าคุณนภารู้เกิดดับเท่านี้นะ อ, อะไรบ้างกรรมอวิชาตัญหากรรมอาหารนิพติอันนั้นเป็นเหตุเกิดของรูปนะใช่เพราะฉะนั้นคําว่ารู้เหตุเกิดเนี่ยก็คือรู้เหตุเกิดเช่นรูปเกิดเกิดโดยอาการ 5เวทนาเกิดโดยอาการ5้าสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดโดยอาการอย่างละห้าถ้ารูปจะดับก็ดับโดยอาการ 5. เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจะดับแต่ละอย่างก็ดับโดยอาการ 5. ถ้ารู้เกิดดับลักษณะนี้จะเป็นไปเพื่อให้ถึงความสิ้นทุกข์และสามารถชำระ ก, กิเลสได้ ไม่ใช่อุปาทาถีตีพังคะอยู่ท่านั้นนะเออเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นเกิดดับรูปแบบนั้นไม่ยากนะจะพูดอะไรรัวๆหนูก็ได้นั่งตีกลองขอกลองแล้วป่องป่องปองป่องปองเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่แค่นั้นหรอกเพราะรู้แค่นั้นไม่พ้นทุกหรอกเพราะฉะนั้นพวกนักเล่นดนตรีทั้งหลายเนี่ยบรรลุหมดแล้เพราะพวกนี้จะชำนาญมากอเสียงเกิดดับป่องแป้งป่องแป้งเนี่ยนะข้ออะไรแล้วอะไรเกิดข้ออะไรและอะไรอีกดับเนี่ยนะพวกนี้ ลองลองชุดอ่ะนะเปะคาะกเปาะปเปก๊ปกแล้วก็เป็นดนตรีได้เลยนะตรงนี้เพราะฉะนั้นน่าจะได้ดีแต่ท่านไม่ได้เนี่ยนะดีไม่ดีพอทำเสร็จไหมไงบางพว ก, กพอรู้เสียงเกิดดับเสร็จก็มานั่งดื่มเหล้ากันต่อเนะนี่ยนะไม่ใช่แน่นอ น, นเกิดดับในที่นี้ท่านบอกว่าเกิดด้วยว่าให้ตรงๆเลยนะเกิดแบบรู้ปฏิจจสมุป บ, บาทโดยอนุโลมเรียกว่าเกิด นี่นนะถ้าพูดพูดถึงรวมๆและชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าไล่กันเป็นทวารทวานนี่นนะเช่นว่าความคิดเกิดขึ้นเนี่ยนะความคิดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถ้าจะไล่กระแสะแห่งความคิดนี่นนะแต่ตอนแรกก็ให้คิดอะไรคิดเป็นไปกับโลภะบ้างคิดเป็นไปกับโทสะบ้างความคิดที่เกิดร่วมกับ โมหะบ้างความคิดอันนี้เกิดจากอะไรไล่มาไนงะอาศัยมโนก่อนมีมโนกับสิ่งที่จิตมันคิดอ่ะนะเรียกว่าธรรมะอาศัยมโนกับธรรมะคำว่าธรรมะเนี่ยที่ใช้คำนี้เพราะว่า ไอเรื่องที่ เ, เราคิดเนี่ยนะก็ว่าเป็นเรื่องๆไปใช่ไหมเพราะเรื่องที่เราคิดนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่สําคัญมากคือมโนมโนหมายถึงผวังทจิตเนี่ยนะผนะวังทจิตพออาศัยมโนกับธรรมะความคิดนี้ก็เกิดขึ้นพอความคิดนี้เกิดขึ้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นมโนสัมผัสสะแล้วก็ในขณะที่คิดก็มีเวทนานะ แล้วก็มีตัณหาถ้ามันทําจิตตรชูดออกมาทางกายเรียกว่ากายกรรมถ้าทําจิตตรชูดมาทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมถ้านึกคิดเฉยๆก็เป็นมนโนกรรมกรรมอันนี้เรียกว่ากรรมมาพบพบอันนี้นําเป็นปัจจัยแก่อุปาติภพ คือหมายว่าสิ่งที่ทำนี่ต้องมีวิบากใช่ั้ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ต้องมีวิบากเช่นว่าก็เอาตามชาวนานะดวงที่หนึ่งอุปติภพจะเป็นของชาตินี้ถ้าดวงที่เจดชาติหน้าถ้าดวงที่สองถึงดวงที่ห ก, ก็เป็นชาติที่สามเป็นต้นไปเนี่ยนะเรียกว่าอัปราปริยะเวทนียกรรม อันนี้พูดถึงความคิดถ้าความคิดเกิดแล้วอะไรจะเกิดต่อไปบ้างมันจะลามไปถึงไหนบ้างเนี่ยนะนะแล้วก่อนที่จะมาคิดอย่างนี้มาอย่างไรเช่นว่ามโนนี่มาจากไหนหรือภวังอันนี้มาจากไหนเนี่ยนะภวังที่มโนนี่มาอย่างไงแล้วธรรมะเรื่องที่เราคิดเนี่ยเกิดจากตัดใจอะไรเนะี่ย แต่ถ้าจะไล่ตัวที่สําคัญ ท, ที่ทุกคนคิดได้เนี่ยนะท่านทางธรรมะท่านถือเอาผวังเป็นเป็นหลั ก, ก น, นะทางโลกอาจจะเอาสมองหรือ อ, อะไรก็ช่างเถอะแต่ธรรมะถือว่าเอาผวังเป็นเป็นหลักผวังอันนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอุปติภพอุปติภพเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผลของกรรมในในอดีตแล้วผวางอันนี้เกิดจาก กรรมตรงๆก่อนนะเกิดจากกรรมอย่างมนุษย์ทั้งหลายเป็นผลของบุญใช่ไหมเป็นผลของบุญก็ถือว่ากรรมประเภทมหากุศลเจตนามหากุศลเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ภวังแล้วภวังอันนี้เกิดขึ้นต้องอาศัยวัตถุใช่ไหมคืออาศัยหัตยาวัตถุนะตัวตัวผวังอันนั้นนะ แล้วภวังก็ต้องมีอารมณ์อารมณ์ของภวังมีอะไรบ้างอนะย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งกรรมกรรมหมายถึงคิดถึงเจตนากรรมสองกรรมมณิมิตสามคตินิมิต อ, อันนี้เป็นอารมณ์ของภวังและกรรมที่กรรมมันให้ผลเนื่องจากตัวเชื่อหลักๆนะตัวที่เย็บตรงนี้เอาไว้เนี่ยทำไมกรรมจึงให้ผลได้เพราะ ตัวที่เย็บคือตันหาเนี่ยเย็บเอาไว้นั่นนะตันหาเป็นตัวเย็บกรรมก็เลยให้ผลอ่นะพูดถึงจิตก่อนตายนะเป็นปัจจัยตรงนี้ให้มานน่วงเอานิมิตเหล่านี้มาเป็นอารมณ์จิตนี้ก็อาศาัยวัตถุทว่าโดยรวมๆพุทธพจน์ก็ว่าอาศัยมโนอ่นะพูดง่ายๆว่ายังไม่ตายนะฉันยังไม่ตายกะธรรมะเกิดความคิดขึ้น เนี่ยนะอ้าวทำไมจึงคิดได้ก็เพราะยังเป็นอ่ะนะยังไม่ตายนะนะั่นแหละอันนี้รักษาชีวิตเอาไว้ความคิดก็เกิดพอความคิดเกิดขึ้นทุกความคิดถือว่าหนึ่งสัมผัสเช่นเอาพูดแบบหยาบๆก่อนนะคิดหนึ่งเรื่องหนึ่งสัมผัสแล้วกันเอาว่าหยาบๆก่อนนะสมมติถ้าเราคิดถึงคนสิบคนเนี่ยนะเราสมมติเรารู้จักคนสิบคนคิดถึงหนึ่งคนถือว่าหนึ่งสัมผัสในคนสิบคนนี้ให้เวทนาเหมือนกันหมดไหม เช่นเรามีลูกสิบคนนะทุกคนเนี่ยคิดถึงคนโตจนถึงคนเล็กหมดแล้วความรู้สึกเหมือนเดิมเท่ากันหมดคงไม่ใช่นะแต่ว่าที่นี่ไม่มีลูกตั้งหลายคนในอุปมาณนี้ใช้ไม่ค่อยได้หรอกไม่มีลูกอย่างน้อยห้าก็เกือบสิบคนนะนะั่น่ะเพราะฉะนั้นอาจจะนึกได้เป็นบางคนนะเอาลูกสองคนกันแล้วกันนันนะสองคนไม่คิดได้สองคนไมคิดได้ไม่ต้องถึงสิบนะ <c oughs> นนะคิดถึงอีกคนหนึ่งเนี่ยโสมนัตใช่ไหมเวทนานี้เป็นโสมพอคิดถึงอีกคนหนึ่งโทมนัตเลยถ้ามีสามนะได้อุเบกขาได้ครบชุด น, น, นะเวทนาคนละอย่างก็มาจากคนละภาษะแต่จะโสมนัตเกิดขึ้นนะก็ต่อด้วยโลภะอยู่ดีถ้าโทมนัตเกิดขึ้นก็ต่อด้วย โลภะอยู่ดีถ้าอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นโดยมากก็ต่อด้วยโลภะอยู่ดีพอโลภะหรืออกุศลเกิดก็พฤติกรรมกดโทรศัพท์ก่อนกายกรรมใช่ไหมพูดเป็นวจีกรรมเนี่ยนะก็คิดไปด้วยก็สลับขะเคล้ า, ากันไปนะกรรมสามที่พูดคุยกับลูกทั้งหมดมีผลไห ม, มนี่ ไม่ใช่ผลด้านค้าขายนะอันนี้คลนละในกันนะอันนี้พูดแบบว่ตาตะเป็นมูลนะนะอันนี้เครียกว่าสายธุรกิจก็ธุรกรรมไปอะไรไปแต่อันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัตตะเราพูดในแง่วัตตะอย่างเดียวรู้ว่าปัจจัยมันอันนี้ยกชีวิตหนึ่งขณะขึ้นมาหนึ่งขณะคือหนึ่งช่วงขึ้นมาจับชีวิตทุกช่วงเป็นอย่างนี้หมดนะช่วงก่อนก่อนกก่อกอนก่อนจะเป็นแบบนี้หรือถ้ายังเป็นไปข้างหน้าต่อไปก็จะเป็น เป็นอย่างนี้การรู้ลักษณะนี้เขาเรียกว่ารู้เหตุเกิดเนี่ยนะรู้เหตุเกิดของวัตตะก็ได้ที่พระ อ, องค์บอกว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายเราจะแสดงเหตุเกิดของทุกข์และความดับแห่งทุกนะเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะยกมาหนึ่งทวารว่าอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอนนอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพอันนภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้ชื่อว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกอันนี้เรียกว่าความเกิดนะสมุทัยังฆ่าแห่งทุกเป็นอย่างนี้ ตัวอย่างหนึ่งทวารมโนทวารเจนพานเพราะฉะนั้นที่ยกว่าความคิดมันมีสคุณธรรมกัต่างเนยัตสาเหตนาตัญหานี่ก็จะไปตรงกันกับในในตัววัตถุตัวอารมณ์และก็ตัววิญญาณก็เหมือนกันคือมโนโทวารจะซับซ้อนกว่ากว่า กว่าทาวารตาหูจมูกลิ้นไงนเพราะมันจะแบ่งเป็นช่วงแบ่งเป็นช่วงเพราะตัวโมโนได้แก่ผวังอันนี้ก็หาทยาวัตถุเหมือนกันคนละ ว, วัตถุ ก, กับภวังเจริญพรแต่ว่าอาศัยหาทยะแต่ว่าคนละหาทยะอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะเขาเวลาในธรรมะจะไม่พูดหาทยะเลยจะบอกว่าผวัง กับธรรมะคืออารมณ์อ่ะนะเกิดมโนวิญญาณขึ้นพูดรวบอย่างนี้เลยประชุมสามอย่างเรียกว่าพรรษาพรรษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานก็ไอ้ตัณหาอีกนั่นแหละที่มันมีกําลังอ่ะเรียกว่าอุปาทานอุปาทานอันนี้เป็นปัจจัยแกพบเนี่ยนะพบพอพูดถึงพบอย่างนี้วิบากฟ้องคู่ล้ ทีนี้ค่อยมาคัดดูว่าตัวไหนพอนำเกิดได้บ้างค่อยมาคัดอีกตั้งหากอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่ชาตอาิอันนี้สงของชาติก็ชรามรณะ น, นั่นนะพอชรามรณะเป็นยังไงก็ร้องไห้ะนะตามสูตรนะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตทั้งหมดนี้เรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกอิมาสเกวระส า, าทุกขขันธะส า, าสมุทโยโหติ ว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลเนี่ยมีด้วยอาการอย่างนี้อันนี้เราพูดเหตุหนึ่งหนึ่งหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งช่วงว่าว่าเป็นระบบเป็นไปแบบนี้นะทีนี้ก็เอาอะไรม า, มาคูณอีกโดยทั่วไปท่านจะเอาการมาคูณว่าแม้ในอดีตการนะถ้าความคิดอันนี้เกิดมันก็อาศัยปัจจัยแบบนี้แล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลไปแบบนี้ น, นะอดีตก็อย่างนี้อนาคตก็เป็นอย่างนี้ ปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นะตัดใ จ, จทั้งหลายก็เป็นลักษณะนี้อันนี้เรียกว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์มโนวิญญาณเจอเนี่ ย, ย น, ยนมนโนวิญ ญ, ญ, ญาณกับวังนี่ไม่ใช่ตัวเดียวกันไม่ใช่เราเราเราเป็นสมปัจจัยเนี่ยนเลไม่เป็นไม่เป็น อ, อมันจะมีมโนทวาราวชนะมะขั้นตรงนี้อีกตัวหนึ่ง น, นะภวังเป็นปัจจัยแก่มโนทวาราวชนะมามโนทวาราวชนะเป็นปัจจัยแก่ความคิดความคิดก็เป็นปัจจัยแก่ความคิด น, นะถ้าจะว่าโดยวิธีโดยละเอียดแต่ว่าพระสูตรท่านไม่ค่อยเอาวิธี อ, อะไรมาวัดขนาดนั้นเอาว่ามองให้มองรวมๆก่อนหนึ่งภวังแปลว่ายังไม่ตายสองมีเรื่องให้คิดตัวเรื่องให้คิดอ น, นะ แล้วความคิดมันก็เลยเกิดขึ้นพอความคิดเกิดแต่ละความคิดที่ที่ไปรับรู้ถือว่าแต่ละภาษะทุกภาษะมันก่อให้เกิดความรู้สึกงนั้นนะพอมีความรู้สึกจัดตัญหาก็จัดการจัดแจงแลอย่างั้นอนนพอตันหาจัดแจงพูดอ่ะนะพูดพฤติกรรมความคิดอ่ะนะตัวนี้มุ่งไปที่ตัว เจตนาเจตนาก็ตามสูตรว่าถ้าดวงที่หนึ่งให้ผลยังไงดวงที่เจให้ผลยังไงดวงที่สองถึงดวงที่6เป็นยังไงอันนี้กรรมาพบเป็นปัจจัยแกอุปาติภพทีนี้มาคัดเอาอีกอันหนึ่งว่าในบรรดาทั้งหมดเหล่านี้ตัวไหนพอนําเกิดได้บ้างพบอันนี้เป็นปัจจัยแกชาติ น, นะพอชาติแล้วก็ว่ากันไปต่อไปทั้งหมดนี้เรียกว่าเหตุเกิดแห่งทุกเหตุเกิดแห่งทุกเนะีอันนี้เรียกว่ารู้เหตุเกิดทุกก่อนอันนี้ต้องใช้ปัญญาอย่างมากเลยไหม แล้วต่อไปถ้าทุกข์จะดับดับได้ยังไง น, นะก็สูตรเขาก็ขึ้นอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเรียกภาษ า, าภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะสัมโรคตันหาตัวนี้ค่าตัวนี้ซะวีรค่ะนะค่าตันหาซะว่ า, าสูตรเมื่อคืนว่าไงนะค่าแม่ค่ามารดาค่าบิดาค่าพระราชาทั้งสอง อันนะัผู้ปกครองแว่นแค้นฆ่าฆ่าแว่นแค้นฆ่าพร้อมทั้งคนเก็บสวยนะก็จะเป็นพรามไม่มีทุกเที่ยวไปอย่างเง้ยนะเอางั้นก็ได้นะนะว่าสำลรคตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือนะอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณาโศกปริเทวทุกโทมณตและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลมีด้วยอาการอย่างนี้ อ น, นะอิมาสะเกวรสะทุกขขันธะสะนิโรโทโหติว่าความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลมีด้วยอาการอย่างนี้การรอดรู้เหตุเกิดและความดับอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาที่เป็นอริยะเป็นไปเพื่อชั่มรกกิเลสเพื่อที่จะทําที่สุดแห่งกองทุกข์ได้เนี่ย น, นะอันนี้ก็ถือว่ามีสัจธรรมใช่ไหมผู้ที่มีสัจธรรมอันนี้หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามีซัพ์ก็ได้เนี่ย น, นะ แต่คนมีทรัพย์ก็ไม่ค่อยใช้ทรัพย์ก็ไม่ใช่ไม่มีมีะนะผู้มีทรัพย์คือปัญญาเหล่านี้แต่ไม่ค่อยใช้ปัญญาเนี่ยถามว่ามีไหมมีนั่นก็ยกตัวอย่างว่าพระโปติละไงพระโปติละทรงพระไตรปิฎกมากพระพุทธเจ้าเจ็ดองแล้วพระพุทธเจ้า ว, วิปสัสสีแกก็สรงพระไตรปิฎกสิขีแ ก, แก่บวชมาแกก็สรงพระไตรปิฎกเวสพูแกก็ทรงพระไตรปิฎก กกูสันทะแกก็ส่งโกนาคมาณะก็ส่งกัสปาก็ส่งพระพุทธเจ้าองค์นี้แกก็ส่งอีกเจ็ดองอนะแต่ก็ไม่ได้คิดจะออกพ้นทุกข์อะไรนึ่นะก็คือรู้แล้วก็สอนคนอื่นมันก็มีความสุขไปเหมือนกันอ่ะนะรู้ไปก็สอนไปรู้ไปก็สอนไปแต่ว่าไม่เคยเอามาพิจารณาอะไรหรอกแต่ว่าธรรมะเนี่ยพุทธพจน์เนี่ยแกเข้าใจหมดอะ่ะเรียกว่าคนมีทรัพย์แต่ไม่ค่อยใช้ทรัพย์นะพูดถึงท่านอุปมาว่า เป็นเป็นคนเลี้ยงวัวแต่ว่าไม่ได้ดื่มเป็นจกโคโรตอะไรเนี่ยนะ ก, ก็เลี้ยงวัวละก็ไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่ใช่วัวใช่แต่ว่าไม่ได้กินโคโรตอะไรนะถ้าพูดถึงวัวเหมือนกับปริยัดโคโรตเหมือนกับมรทผลเนี่ยนะแกก็นับแต่วัวได้วัวเข้าค อ, อกเท่านี้ออกจากคอกเท่านั้นรู้หมดแหละแต่ว่าไม่ได้ดื่มกับเข่าหรอกเอ้ยว่าไปว่าม า, มาจะเข่าเนื้อนั่นเอง ไม่ใช่เข้ามันเข้าจริงๆเลยแหละรู้การเกิดเจนพรน า, ราร น, นนั่นแหละรู้เกิดรู้ดับอันนั่นแะทีนี้ก็บอกว่าปัญญาเนี่ยนะเกิดเพราะการประกอบอันนะ ประกอบตัวนี้มาจากคำว่าโยค ะ, ะคือพระโปติละเนี่ยนะเนื่องจากว่าท่านท่านไม่ไม่คิดจะปฏิบัติอะไรท่านไม่เคยคิดจะเอามาเพ่งพิจารณาอะไรท่านก็รู้ท่านก็สอนไปใครจะมาเรียนคำพีไหนมาว่ามาสอนให้หมดละทีนี้พระพุทธเจา้าพอก็เอ้ิสูรรูปนี้เนี่ยเราจะทำให้สังเวทถ้าเธอสังเวทแล้วจะไปปฏิบัติตแล้วบรรลุมรรคผลทีนี้พอพระโปติละมาเอาบอกมาแล้วเลยไปร้านเปล่า อา้าวนั่งที่ใบลานเปล่าอา้าวไปแล้วเหรอใบลานเปล่าเพราะฉะนั้นเจอเมื่อไหร่ก็ต้องบอกใบลานเปล่าทุกครั้งไปเนี่ยนะท่านนี่ก็คิดเลยเนี่ยเราไม่มีมรรคผลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอย่างนี้เพราะเราไม่มีมรรคผลเพรา ะ, ะเดี๋ยวต้องไปปฏิบัติหน่อยนะั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าเราเหลือเกินนั่งก็ไปบอกว่าไปที่สุดประมาณร้อยยี่สิโยชนี่นะก็ส ม, มุติถ้าอยู่สาวัตถีก็โอโหไปไกลหน้าดูเลยพอไปเสร็จ ท่านก็ไปหาวัดอยู่วัดหนึ่งวัดนี่มีพิสูจน์สามสิบรูปผ้าหันหมดเลยนั่นนะสามสิบรูปก็เข้าไปหาพระเถระองค์ที่หนึ่งอโอยผมไม่ได้ท่านเป็นผู้ที่มีพหูสูตรผมต้องเรียนกับท่านอันน่ะโอ้ยขอให้ท่านเป็นที่พึ่งด้วยเถอะเอางี้ก็แล้วกันไปหาองค์ที่สองก็ส่งกันเป็น ท, อ, ทอดๆเนี่ยนะไปจนถึงองค์ที่สามสิบเป็นสามมเนนด้วยหมดมนะพอดีเลย แต่ทั้งหมดนี้อารหารทั้งหมดนะสาิบเนี่ยเป็นผ้าอารหารทั้งหมดเลยเสร็จแล้วพอไปถึงองค์ที่30สบก็บอกว่าอย่าเลยอาจารย์ผมต้องเรียนกับท่านนะบอกโอ้ oh, ท่านสัตว์บรุษนะ่ยนะไปถึงนั่งกระโยงยกมือเลยนะยกมือไหว้ละท่วมหัวหละบอกยังไงยังไงก็ขอให้เป็นที่พึ่งกับผมด้วยเถอะถ้าบอกอะไรผมจะทำตามทั้งหมดอย่างนันนะเอาอย่างนี้ท่านโน่นสาดน้ําไปลงสาดน้ำไปไม่ต้องถอดผ้าหรอก ท่านก็ไปนะพอชายจีวอนเปียกนิดหน่อยเนี่ยนะบอกนิมนต์ขึ้นมาท่านก็ขึ้นมาว่านอนสอนง่ายมากเสร็จแล้วท่านก็แนะนำว่านะนะท่านก็เริ่มให้หนาววนยว่ามีจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งมีอยู่ห้าอมีอยู่หใช่ไหมนะบอกว่ามีจอมปลวกหรือจอมปลวกหนึ่งนะมีอยู่หกหกรูอื <c oughs> ก็ให้อุดนะนะรูที่หนึ่ง ขุดรูที่สองที่สามที่สีที่ห้าแล้วก็ตั้งกรรมเอาไว้ในรูที่หกแล้วขุดนั่นแหละแล้วก็ขุดรูที่หกท่านก็จะพบมันเองบอกชั้นใดก็ดีอายตนะทั้งหมดมีมีหกอายตนะใช่มมองชีวิตเหมือนจอมปลวกแล้วมีอายตนะหกให้ปิดทวารห้าที่เหลือให้ตั้งตั้งกรรมเอาไว้มโนทวาร ท่านบอกเลยนะให้ตั้งกรรมเอาไว้ที่มโนทวารแล้วก็เจริญกรรมกรรมฐานไปพอบอกว่าพอสัมมเนนพูดเท่านี้แล้วบอกว่าพอละท่านาสั์บุรุษรู้เลยนะเพราะว่าการปฏิบัติในศาสนานี่มันเป็นยังไงก็รู้แล้วนะถ้าสมมติถ้าตั้งกรรมกรรมตัวนี้คืออะไรก็คือไตรสิกข า, านะนะก็มีพ้นไตรสิกขาถ้าศีลปราลบยังไงสมถะ ปราลบยังไงวิปัสนาปรารบยังไงเนี่ยนะก็ศาสนานี้ก็มีคือบําเพ็ญไตรสิกขาเพราะตั้งไตรสิกขาไว้ที่มโนทวารแต่ถ้าเน้นพิเศษก็สมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะก็ตั้งไว้ที่มโนทวารจะคิดอะไราให้เป็นสมถะวิปัสนาก็คิดไปไม่น่าห่วงเพราะท่านทรงพระไตรปิกอยู่แล้วเนี่ยนะท่นบอกว่าพอแล้วท่านสัตบุรุษเสร็จแล้วพอท่านคิดจิตก็สงบ ระดับหนึ่งอะนะในการไพร่ควรธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เปล่งรัศมีไปเลยเฉพาะตอนหน้าว่าปัญญาเกิดเพราะการประกอบแปลปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ประกอบบุคคลรู้ทางสองแพร่งคือเหตุที่จะให้ปัญญาเกิดกับเหตุที่จะปัญญาไม่เกิดแล้วพึงตั้ง ต, งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเกิดให้ตั้งเอาไว้นะว่าปัญญาจะเกิดได้ยังไงให้ตั้งเอาไว้แบบนั้น พอฟังจบท่านก็บรรลุเป็นพระอรหรอันตนะ์อนนว่าปัญญานี้เกิดจากการประกอบประกอบอันนี้คืออะไรบอกว่ากรรมฐาน38เนี่นยนะทยกกรรมฐาน38ดนะถ้าใครอ่านวิสุทธิมรรมาเนี่ยสมถะสามสิบแปในวิสุทธิมรรมจะแสดงทั้งสมถะวิปัสสนาคู่กันไว้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าตั้งขนาดนี้ก็ถือว่าจบเพราะท่านฟังจบท่านก็บรรลุเป็นเป็นพระอรหรันต์เนี่ยนะสำคัญว่าปัญญาเนี่ยเกิดเพราะการ ประกอบแลเพราะฉะนั้นที่กล่าวตอนแรกว่าบางคนเนี่ยมีทรัพย์แต่ไม่ใช้ทรัพย์ก็มีบางพวกเนี่ยนะพอมีปัญญาแต่ไม่ใช้ปัญญาก็ก็มีคนที่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะสาธยายได้ก็ไม่ใช่น้อยแต่คนที่เอาปฏิจจสมุปบาทมาใช้ในชีวิตจริงๆกลับไ ม, ไม่มากะนะไม่มากใช่ไหมเอางั้นเลยนะคุณผู้การเท่านั้น ลืมตาปับ๊บโอ้นี่ปฏิจจสมุปบาทมาอย่างไงไปอย่างไงเนี่ยนะคิดอย่างนี้เลยนะบองออกตลอดสายเลยแบบที่เรียนมานะอย่างน้อยอะ่ะถ้าอย่างนี้แหละเรียกว่าเอามาใช้มีทรัพย์และใช้ซัพย์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใครถามนะโอ้โหร่ายได้หมดเลยถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรขอให้มันได้ก่อนเนะเอ่อตาหูจมูกลิ่นกาย แต่ให้ตั้งกรรมไว้ที่มโนทวารเพราะการเจริญสมถาวิปัสนาไม่ใช่เรื่องปัญจทาาวารในคถาธรรมบทบอกเลยว่าตั้งกรรมไว้ที่มโนทวาร น, นี่ก็สมควรกับเวลาแล้วนะช่วงเช้า